ดวงจันทร์เนี่ยนะสองสองสองทั่วโลกอะนะในในในขอบเขตของดวงจันทร์ที่สองถึงแต่คนที่ชมจันทร์มีความรู้สึกว่าตัวเองเห็นดวงจันทร์อยู่คนเดียวมีเหมือนว่าดวงจันทร์นี่ส่องให้เราดูแต่เพียงผู้เดียวนะว่านั่นฉันใดพระพุทธเจ้าก็ฉันนั้นพระองค์เป็นผู้ที่น่าอัศจรรย์นะ น, นะนท่านเนี่ยทำยังไงจะให้เป็นที่รักของ สรรพสัต์ทั้งหลายเมื่อพระองค์เป็นที่รักของสัพพสัตถ์ทั้งหลายพระองค์ก็จะช่วยสรรัรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏทุกข์ให้พ้นจากสังสารทุกข์ได้นี่ยนะท่านบอกว่ายาจกเหล่านั้นพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของเราท่านมีความปรารถนาที่จะให้เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของยาจกแล้วก็ยาจกเนี่ยเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของท่านถามว่าทไม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 พระพุทธเจ้าเนี่ยเดินทางรอบอินเดียทุกปีเนี่ยนะเดินทางจริงๆแล้วนะเดินเท้าเนี่ยรอบทุกปีทุกปีทุกปี45่าปีเนี่ยนะถ้าไม่มีอัพถยาสายน้อมไปเพื่อประโยชน์เรียกว่ารักต่อสรรพสร์ทั้งหลายจริงๆและยากเล น, นะฉันจึงให้ทานและปลูกฝังว่าเราพึงรักต่ออย่าจกทั้งหลายยินดีต่ออย่าจกทั้งหลายยินดีที่จะให้ยินดีที่จะเพิ่มพูนความสุขให้แก่เขา เราเมื่อให้ก็พอใจแม้ให้แล้วก็ปลื้มใจเกิดปีติสมานะได้อย่างไรหนอคิดอยู่เสมอว่าทำยังไงนะเราอยากให้อย่างเต็มใจให้อย่างมีความสุขให้อย่างมีความสุขให้อย่างมีปัญญาประกอบให้เสร็จแล้วก็มาตามนึกตามรำพึงถึงการให้อย่างปลื้มใจนึกถึงการให้เมื่อไหร่ก็ปลื้มเนี่ยแรา ว, ว่าอิ่มใจอิ่มใจเนี่ยนะสบายใจอิ่มใจ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 คือบางทีเนี่ยนะฮะยาจบของบางคนเนี่ยเขาเขาไม่มี่แต่เขาไม่อยากได้ของใครมานะมากบางคนเนี่ยนะไม่เอา ท, ทอีนี้อันนี้อัธยาศัยอย่างหนึ่งของพระโพธิสัตว์ก็คือเราจะให้เขาได้อย่างไงหาช่องที่จะช่วยเหลือคนนี้ได้อย่างไรฉะนั้นอัธยาศัยตัวนี้นี่แหละพอเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยนะถามว่าสัตว์ทั้งหลายโดยมากอยากบรรลุมรรคผลไหมสมัยก่อนบางกลุ่มเนี่ยนะเกลียดพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าอะไรอีก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 หลอกลวงใหญ่หลวงมากใหญ่หลวงเรามันยิ่งใหญ่นะแปลว่ามหาว่างั้นเถะมหามายาแปลว่าสุดยอดของนักหลอกลวงว่างั้นคือหาช่องว่าปิดช่องที่จะไม่ให้เปิดประตูไว้ประตูเดียวคือประตูจะให้คิดดูนะถ้าบอกว่าไม่ให้แบบตั้นตนํตาหนิตัวเองด่าตัวเองทีเรียกว่าใครจะกล้าด่าว่าใครมันจะมีมารยาเท่าเราว่างั้นนะ่ะนะของเราก็มีผู้ขอก็มีทําไมเราไม่ให้ถ้าเราไม่ให้ก็แสดงว่าเรานี่มารยาใหญ่มากเนี่ยนะ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 เท่ากับว่าผูกมิตรได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะมันคนทั่วๆั่วไปเฉยๆที่ตัวเองไม่สนใจมาขอก็ดีใจอีกเท่เอา้าถ้าผู้มีเวนมาขอแล้วก็ดี่ศัตรูมาขออันนี้ต้องดีใจเป็นพิเศษเหมือนั้นท่านบอกว่าดีใจเป็นพิเศษสมอนัดเป็นพิเศษว่าโอ้ศัตรูของเรายังขอเราเหมือนกันศัตรูนี้เมื่อขอเราก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่มีเวนย่อมเป็นมิตรที่รักด้วยการบริจาคนี้แน่แท้ ต่อไปนะเมื่อมีการให้ครั้งนี้เลิกผูกเลิกเวนเลิกล้างเลิกพลานกันสถทีขอให้เราได้ช่วยคู่เวนให้มีความสุขเนี่ยนะเขาจะได้เลิกเป็นเวนเลิกเป็นภัยต่อกันสทีขนาดคู่เวนข อ, อยังดีใจเป็นพิเศษเลยไม่จำต้องกล่าวถึงผู้อื่นว่างั้นสรุปว่าคนที่เรารักที่สุดมาขอก็ดีใจคนทั่วๆไปมาขอก็ดีใจถ้าเป็นศัตรูมาข อ, อ, อพิเศษเอาไปเลยเนี่ยนะ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 ในวิสัยแห่งทายธรรมแปลว่าอุ้ยของรักของห่วงมากเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะโลภะนี่ตัวเองอบรมมาชานานสั่งสมมานานและเพราะนั้นของรักของชอบใจเกิดมาชีวิตไฝฝันอยากจะได้ของแบบนี้แหละหมายคืาว่าอูยเป็นของที่ตัวเองรักที่สุดหวงแหนที่สุดทนุถนอมที่สุดอยากได้มานานสั่งสมความอยากได้สิ่งเหล่านี้มานาน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 เรียกว่าทุกอย่างเป็นยาหมดยกตัวอย่างอะนะขี้เหล็กนี่เป็นยาจริงนะขี้เหล็กทั้งห้าเนี่ยหมายถึงว่าถ้าพวกสายสมุนไพรเขาจะรู้ว่าขี้เหล็กทั้งห้าแปลว่าต้นขี้เหล็กนะไม่ใช่สนิมเหล็กต้นขี้เหล็กทั้งห้าก็คือตั้งแต่รากลําต้นกิ่งใบแล้วก็ดอกเนี่ยนะพวกนี้จะเป็นยาหมดชั้นใดเนี่ยนะสมมุติต้นไม้เป็นยาเนี่ยนะต้นไม้เหล่านั้นเนี่ยคิดว่าพวกนี้จงนําของของเราไปชั้นใด เมื่อกายไม่สะอาดคือปฏิกูลเป็นนิดจมอยู่ในกองทุกใหญ่อันเราพูดถึงความขวนขวายเพื่อประโยชน์แก่สัตว์โลกการประกอบเพื่ออุปการะแก่สัตว์เราอื่นไม่ควรให้มิจฉาวิตกแม้เล็กน้อยเนี่ยเกิดขึ้นฉะ น, นั้นคิดดูเลยว่าต้นไม้ที่เป็นยาเนี่ยนะทุกอย่างถ้าผู้ใดปรารถนาจะเอาไปทำเป็นยาก็เอาไปเถิด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 เป็นรูปธปรรมเมื่อกายนี้เป็นรูปธปรรมเป็นมหาพูดเป็นสิ่งที่มีการกระจัดกระจายเป็นธรรมดาเป็นของที่มีการกระจายมีการกำจัดเสียหายไปโดยส่วนเดียวขนาดของภายในอย่างเสียหายแล้วของภายนอกแต่ข้อนี้เป็นความหลงและความสบสาอย่างเดียวถ้าหากว่าถ้าเรารักถึงห่วงแห็นขนาดให้ไม่ได้เนี่ยนะ ถ้าให้ไม่ได้นี่เป็นความโง่ของเราอย่างเดียวเป็นความซบเซาของเราอย่างเดียวนะซบเซาก็แปลว่าอะไรแปลว่าซบเซานั่นแหละเพราะอะไรเพออรพสสาะซบเซาด้วยการยึดถือว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราจะแปลว่าความโง่เขลาวความหลงงมงายความยึดติดความหลงของเราแท้ๆเพราะฉะนั้นผู้ไม่คํานึงในมือและเท้าหรือตาเป็นต้นเนื้อเป็นต้น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 ตั้งอยู่ในการปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้เป็นผู้สามารถเพื่ออนุเคราะห์สรรพสัตว์ด้วยการถึงพร้อมด้วยความเป็นผู้ฉลาดในความเสื่อมและฉลาดในอุบายด้วยการบริจาคไยรธรรมโดยประมาณอย่างยิ่งคือโดยโดยพู้ถึงการให้เนี่ยนะถ้าแบ่งแบ่งไปแล้วเนี่ยการให้มีอยู่3ประเภทด้วยกันให้อย่างที่หนึ่งเาเรียกว่าให้ไตยทานไยรทานหรือวัตถุทาน อย่างที่สองให้อภัยทานอย่างที่สามให้พระสัตธรรหรือให้ธรรมทานเนี่ยนะมันด้วยการให้การตั้งความปรารถนาเพื่อจะให้ไม่ใช่ให้แต่ทายทานหรือให้แต่วัตถุอย่างเดียวเท่านั้นให้แม้กระทั่งอภั ย, ยให้อภัยก็คือศีลส่วนให้ธรรมะที่เหลือต่ อ, ตอไปก็เป็นให้ให้ธรรมะเนี่ยนะทานบารมีก็คือให้วัตถุทานศีลบารมีก็คือให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 ต่อไปพิจารณาศีลเนี่ยนะพิจารณาโทษของการไม่รักษาศีลและก็คุณประโยชน์อันยนสงที่เกิดจากการรักษาศีลว่าศีล น, นี้เป็นน้ำชำระความเศร้าหมองคือโทษอันไม่อาจชาระได้ด้วยน้ำในแม่น้ำคงคาเป็นต้นศีลเ น, นี่ยเป็นเครื่องชำระความเศร้าหมองความเศร้าหมองทางกายทางวาจาทางอาชีพถ้าไม่เอาศีลมาชาระนี่เอาอะไรมาชาระ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 สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะการตรัสรู้เริยสัตย์จะมีได้ไหมมีไม่ได้นเะนี่ยเพราะเซนจึงเป็นมรคคาแห่งพระนิพพานเป็นทางแห่งพระนิพพานศีลเป็นภูมิที่รองรับปฏิสถานสาว ก, กโพธิยานการตรัสรู้ของพระสาวกทั้งหลายก็ต้องมีศีลรองรับการตรัสรู้ของพระประเจก พ, พุทธเจ้าทั้งหลายก็มีศีลรองรับจะกล่าวไปยัยถึง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 อยากได้อะไรเอามนะอยากได้อะไรปรารถนาอะไรคำนั้นเพราะาผู้มีศีลเนี่ยนะปรารถนาสิ่งใดก็สําเร็จสิ่งนั้น mm. เขาบอกว่าอย่างอื่นเนี่ยนะมีทรัพย์อย่างอื่นเนี่ยนะมยนนยนะไม่ใช่ว่าปรารถนาสิ่งใดๆแล้วจะสําเร็จแต่ผู้มีศีลปรารถนาสิ่งใดๆก็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 แต่ตามอนุภาพของศีลนะไม่ใช่ว่าสมาทานเสร็จแล้วขอเลยยังไงนะนี้มันก็มันก็เกินไปคุณภาพศีลตัวเองดีขนาดไหนอะ่ะแต่ถ้าคุณภาพศีลคือศีลระดับโสดาปติมารสกธ า, าคารามีมารนาคารามีมั ก, าามมกถ้าอกศีลระดับอรหัตตมักนี้ไม่ใช่ปัญหาเนี่ยไม่ยากแต่ว่าพึ่งศีลตานาติปาตามมหากุศลดวงที่8แหมเกิดจะกป๊อปเป๊ลเป๋ะเต็มทีเนี่ยนะถ้าอย่างงี้จะเอาไปทําอะไราสำเร็จเนี่ยนะ มันก็ต้องให้มันคู่ควรแก่ความปรารถนาหน่อยนะต้องมีคุณธรรมคู่ควรกันหน่อยอีกอย่างหนึ่งพระองค์ตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายในอากังเขยสูตรมัชฌิมนิกายมูลปัญณาทรงบอกว่าหากพิกษุพึงหวังว่าเราพึงเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจเป็นที่เคารพเป็นที่ยกย่องของเพื่อนสะพรหมจารีทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่ต้องไปทําอย่างอื่น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 อังคุตระนิกายทัศกาลนิบาศกับเอกาทัศกานิบาศพระองค์ตรัสกับพระนลที่พระนลมาถามว่าศีลที่เป็นกุศลนี่มีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงสนะพระองค์บอกว่าดูก่อนอนุนศีลที่เป็นกุศลมีความไม่เดือดร้อนหรืออวิปปิสารเป็นประโยชน์แล้วอวิปปิสารก็มีประโยชน์เพื่อปราโมทปราโมทเพื่อประโยชน์แก่ปีติปีติประโยชน์เพื่อปัสสัตถิปัสสัตถิเพื่อประโยชน์แก่สุขสุเพื่อประโยชน์แก่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 แล้วทำบาปแล้วนรกเขาไว้เผาใคร้าอย่างนั้นก็ไปอ่านว่าไอ้นรกเนี่ยนะเอเวจีนรกอย่างเดียวเนี่ยมันมีพื้นที่ประมาณหนึออ่งแสนหกห่นตารางกิโลเมตรเนี่ยนะหนึ่งแมตารางกิโลเมตรเนี่ยนะพื้นที่บริเวณนะกว้างยาวลึกกว้างอะไรเป็นต้นเนี่ยนะเป็นว่า16ึ0 0 0สื่นตารางลูกบาศกกิโลเมตรอย่างนั้นเถอะแกบอกว่าสัตว์อยู่ในนั้นเหมือนแป้งเหมือนฝุ่นแป้งที่อยู่ในกระป๋องอะ่ะ ถามว่าพื้นที่เท่านั้นเนะี่ยอยู่กี่ตัวดีนะสูบทั้งโลกอีกไม่รู้กี่โลกก็ไปลงในนั้นหมดนะนะเพราะฉะนั้นถ้าทำชั่วไปว่าของเราเนี่ยไปขี้ผงนิดเดียวที่ไปอยู่ในนั้นแค่นั้นนะ่ถ้าหลุดไปที่นั่นนะเดือดร้อนแนะ่เพราะฉะนั้นแล้วมันไม่ใช่มีคุ่มเดียวนรกเนี่ยมัน ม, มีมีใหญ่ๆ่อยู่แปดคุมแล้วแปดคุมมันมีบริวารอีกสี่คุมอ่บริวารของแต่ละนรกสี่คุมแล้วมันมีเศษเศษอีก รอบๆ อ, อีกเรียว่าอุสุธานรกเนี่ยนะอุสุธายังมีบริวารเรียกว่ายมมาโลกอีกก็ไล่ไปเหอะมีหลายร้อยเป็นร้อยขุมนะร้อยกับาขุมแล้วก็แต่ละคุมเนี่ยโอหจุได้ไม่มีประมาณเนี่ยนะสูบลงไปเหอะนั่นนะพระถามว่าถ้าทูา่สีเนะี่ยไปไหนอันนี้เขาบอกว่าไม่ได้ขู่นะเล่าให้ฟังจะไปก็ตามใจก็ไม่ได้ว่าอะไรบางคนบอกพระนี่ดีแต่เอานรกมาขู่บอกไม่ได้ขู่เล่าให้ฟังเนี่ยนะ ถ้าไปยังไงก็อย่าลืมนะว่าพระพุทธเจ้าก็สอนเอาไว้แล้วไม่เชื่อเองว่างั้นเราพูดแบบพวกเปรตทุสานาโสไหมมาโอ้ยไม่น่าเลยเพื่อนเอ้ยว่างั้นอา้าวมาด้วยกันเหรอบอกมาสิเนี่ยนะไปไหนอ่ะเนี่ยนะเพราะว่าอย่างว่านะบุญบาปมันเป็นของมีอยู่จริงเนี่ยนะก็ไม่มีจริงก็ดูพวกเดราชาดเนี่ยทำไมเดรชาดมีได้ถ้าเดรชานมีได้ทํ า, า, าม ไ, ทไมนรกมนะันมีไม่ได้เนี่ยนะและไอ้ไฟที่มันประทุที่ลาวาเนี่ยข้างล่างมาจากไหนล่ะ